วันศุกร์วันนี้วันอาทิตย์นะวันศุกร์ไปเทศสุรินทร์มาี่แรกว่าไม่รับนิมนตะ์เรเนาะีอุปชาท่านเรียกเยนงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ดุลพวกลูกศิษย์สายตรงอะไรพวกนี้ก็ต้องไปกันปีนี้ท่านให้หลวงพ่อไปเทศคนไม่เยอะคนลืมท่านไปเยอะละ ช่วงที่ท่านมรณภาพกับช่วงทอดกรถิ่นนี่ตรงกันทุกปีเลยคนไปทอดกรถินกันเกือบหมดมีเหลือพวกแก่ๆหน่อยไปไหนไม่ไหวมาฟังเทศอุปชาหลวงพ่อท่านอยู่กับหลวงปู่ดูลมาตั้งแต่ท่านเป็นเนนี่จริงหลวงปู่ดูลเป็นลุงแท้ๆของท่านนะพ่อพ่อของอุปชาหลวงพ่อเนี่ย เป็นน้องของหลวงปู่งั้นท่านเป็นญาติแบบใกล้ที่สุดเลยหลวงปู่ท่านไม่มีลูกเองอท่านเจ้าคุณนี่ก็เลยเหมือนลูกท่านท่านเลี้ยงมาแต่เด็กท่านเล่าให้ฟังน่ารักนะว่าหลวงปู่มาบอกพ่อท่านว่ามีลูกหลายคนอะ่ะเอามาบวชสักคนสิเลือกมาสักคนพ่อหันซ้าหันขวาเอาอันนี้แหละถ้าทำยังไม่ทันคนอื่น จะหากินต่อสู้แย่งชิงกับใครเขาคงไม่เอาใจดีมาแต่เด็กๆ เ, เลือกให้มาบวชเพรนท่านจะรู้เรื่องหลวงปู่มากกว่าคนอื่นอยู่กับหลวงปู่หลายสิบปีมากเลยตอนหลวงปู่เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นอะไรนะท่านทํางานแทนมาตลอดอทํางานแทนหลวงปู่ท่านถึงเขียนหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ออกมาได้รู้เรื่องเยอะนี่ไป กลับท่านนะท่านก็บอกเนี่ยผมพีรณาที่หลวงปู่บอกว่าหยุดคิดหยุดคิด่ดดนะมันไม่ได้หยุดคิดนะทนอย่ า, างเงี้ยจิตมันต้อมีหน้าที่คิดมันไปหยุดคิดไม่ได้ท่านบอกว่าความหมายที่หลวงปู่พูดนะน่าจะประเภทว่าหยุดคิดไปถึงอดีตหนะยุดไปคำานึงถึงอนาคตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันรู้อาการของจิต รู้อาการนะไม่ใช่ประคองไม่ให้มีอาการของจิตจิตยังไงก็มีอาการอย่างเราประคองจิตให้นิ่งนะมัน ก, ก็อาการนิ่งนั่นแหละก็คืออาการนั้นจริงๆคําว่าหยุดคิดหยุดคิดไม่ใช่แปลว่าไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ผิดหลักจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดจิตต้องรู้สึกด้นึกได้คิดได้นะรู้สึกถึงความสุขความทุกข์ ทางกายทางใจเรียกรู้ในเวทนานึกนะั่หมายถึงว่ามันจําได้หมายรู้มันนึกขึ้นได้จําได้หมายรู้มันคิดนะัเป็นสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วนี่ธรรมชาติของจิตมันรู้สึกนึกคิดห้ามมันไม่ได้เพียงแต่คนทั่วไปนะัไม่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดคิดทั้งวันแล้วก็เพลินพอ ค, คิดไปเรื่อยๆนะัไปรู้เรื่องที่คิดไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเอง ไม่สามารถรู้อาการของจิตได้เวลาเราดูจิตดูใจเราดูหลายอย่างนะอันแรกเลยดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกโลภความรู้สึกโกรธความรู้สึกหลงอะไรเกิดขึ้นมาในจิตในใจเรารู้ทันอีกอันนึงรู้ทันกิริยาอาการของจิตเช่นจิตไปเกิดที่ตา วิ่งไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายจิตหนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจิตทําอาการอะไรขึ้นมาก็รู้ทันนะงั้นอันแรกรู้ความรู้สึกนะอันที่สองรู้ทันอาการของจิตที่มันปรุงวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหนะูวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ทันปฏิกิริยาของจิตที่เกิดขึ้นเวลามันไปรู้อารมณ์ต่างๆ อยรู้ความรู้สึกนะแรกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ไปความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจอันหนึ่งก็รู้กิริยาอาการของจิตมันวิ่งไปทางตาก็รู้ทันวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งวิ่งไปเพ่งอารมณ์อย่างเวลารู้ลมหายใจจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบจิตวิ่งไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทัน กริยาการที่มันเคลื่อนไปไหลไปอย่างที่สมเวลาเราดูจิตนะให้ดีกว่า2อย่างแรกอีกอาศัยเกิดสองอย่างแรกก่อนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นพอรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาของจิตต่ออารมณ์หรือจิตวิ่งไปทางตาเนี่ยเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันส่วนมากยินร้าย ยินร้ายนักปฏิบัตนะิเห็นจิตไหลไปที่ตาก็ไม่ชอบนะ่ยไปดึงคืนมาดึงคืนมาเกิดจากยินร้ายถนะพอยินดียินร้ายขึ้นมาจิตจะปรุงต่อจะสร้างภบถ้ารู้ไม่ทันนะจิตก็ปรุงแต่งเรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเลนยงั้นเวลาที่เรารู้ทันจิตนะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นรู้ทันกริยาอาการใดๆเกิดขึ้นรู้ทันพอรู้ทันแล้วจิตเกิดปฏิกิริยายินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทัน รู้ทันปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะไม่ปลุงต่อละจบลงที่รู้เลยรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ทำอะไรต่อรู้แล้วจบลงที่รู้เลยแต่อยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆนึกเอาเองจบแล้วจบแล้วไม่จบหรอกให้รู้ทันปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจเราปฏิกิริยานี้เกิดทั้งวันอะอย่างอากาศกําลังเย็นๆหรืออากาศหนาวนะลมพัดมาเรารู้สึกยังไงยินดีไหมไม่ยินดีหรอกยินร้าย ถ้าหน้าร้อนลมโชยมานะยินดีละรู้ว่าเย็นรู้ว่าเย็นก็ดีเหมือนกันแหละดีกว่าไม่รู้เลยแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตยินดีจิตยินรายนี้ยิ่งดีใหญ่เรียกว่ารู้ทันจิตนั้นภาวนานะภาวนาเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจให้ได้มารู้ทันจิตใจให้ได้เลยจิตใจมันจะเกิดปฏิกิริยาอยู่ตลอดเวลาคําว่าศักด์ว่ารู้ว่าเห็นนะมันพูดแต่ปากหรอกพวกเราไม่มีหรอก คว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนะไม่ใช่ภูมิที่จะมีด้วยซ้ำไปมีแต่กระทบอารมณ์อย่างนี้ยินดีกระทบอารมณ์อย่างนี้ยินร้ายส่วนที่บอกไม่ยินดียินร้ายดูไม่ออกจริงๆดูไม่ออกว่ามันยินดีหรือมันยินร้ายมันเบาก็เลยนึกว่าไม่ยินดียินร้ายถ้าจิตไม่มีความยินดียินร้ายจริงๆสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆจิตจะไม่ปรุงพบปรุงชาติจะไม่ทางานต่อรู้แล้วจบลงที่รู้จริงๆเป็นอุเบกขาจริงๆ แต่จิตเราไม่มีอุเบกขาหรอกแขว่งขึ้นแขว่งลงตลอดนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายไปเรื่อยห้ามไม่ได้ห้ามไม่ไดนะ้เรายังมีเชื้อเกิดมีอวิชชาในใจจิตก็ต้องปรุงปรุงสารพัดจะปรุงขึ้นมามีหน้าที่แค่รู้ทันความปรุงแต่งนะรู้ไปเรื่อยอเรารู้ทันจิต ท, ที่มันปรุงแต่งความยินดียินร้ายขึ้นมาความยินดีนร้ายมันจะดับไปเองนะไม่ต้องห้ามมันหรอกมันดับเองแหละ ตัวยินดีเรียกอะไรอภิชาตัวยินร้ายเรียกโทมนัสอภิชาโทมนัสอยู่ในขันอะไรคุณเต็ ม, มเวทนาขันนี่สมเป็นโลสิตจานสุจินบริหารวานาเขต <c oughs> มีเวทนาแล้วก็กิเลสจะแทกนะยินดีขึ้นมาแล้วราคะแทกยินร้ายขึ้นมาโทสะแทกแต่คําว่าแทรกแทกนะความจริงไปเกิดร่วมกันได้ เป็นสหาชาตปัจจัยเกิดด้วยกันได้โทมนัตเกิดเมื่อไหร่จิตมีโทมานัตเมื่อไหร่โทสาก็เกิดเมื่อนั้นเกิดโทมานัตไม่เกิดลอยๆใ <c ười> ครรู้ทันนะใครรู้ทันงั้นเมื่อตามองเห็นรูปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ย จิตยินดียินร้ายขึ้นมานะจิตมีความรู้สึกมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาคอยรู้ทั น, นรู้ทันไปเรื่อยๆ bounded. การที่เราคอยรู้ทันปฏิกิริยาของจิต น, นี่เป็นการดูจิตนะการดูจิตที่ละเอียดขึ้นมาละเอียดกว่ารู้ว่ารู้สึกอะไรละเอียดกว่ารู้ว่าจิตวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้นั้นจิตวิ่งไปทางโน้นทางนี้มันทีดูตามไปจิตส่งออกนอกตามไปเลย หรือวิธีจิตปีกชิดอยู่ข้างในไปค้นคนว้าอยู่ข้างในนะส่งจิตตามลึกเข้าไปข้างใน น, ะนี่ส่งออกทั้งหมดเลยนะแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตเกิดยินดีจิตเกิดยินร้ายรู้ทันได้ถึงตัวนี้นะจิตจะเป็นกลางขึ้นมานะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงในสติปัฏฐานท่านถึงสอนนะบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิต หมายถึงจิตรู้อยู่ที่กายจิตรู้กายนะเวทนาในเวทนาก็มีจิตรู้เวทนาที่เกิดขึ้นจิตานุปัสสนามีจิตรู้จิตสังขารที่เกิดขึ้นธรรมานุปัสสนามีจิตรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเนะี่ยกายเยกายานุปัสสีวิหรติหมายถึงในกายในกายเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตเป็นคนไปรู้กาย เห็นกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนมือกายทั้งหมดนั้นนะไม่มีตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์กายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสความเพียรเป็นยังไงอาตาปีบําเพนตะบะทําไงฟังยากคําว่าบําเพนตบะเราก็คิดว่าไปนั่งสมาธิเยอะๆอดข้าวเยอะๆนะ อดกินอดนอนถ้านั่งบนตะปูได้ยิ่งเก่งใหญ่หน้าหนาวก็ไปนั่งตากแดดไอ้ตากลมเลยนนะหน้าร้อนไปนั่งตากแดดเนะเนี่ยว่าบำเพ็ญตบะอันนั้นไม่ใช่ตบะในศาสนาพุทธบำเพ็ญตบะในศาสนาพุทธเนี่ยท่านเจ้าคุณประโยชน์ท่านแปลน้าฟังนะท่านใช้คำว่าซิมเ l ิลไลฟ์มีชีวิตที่เรียบง่ายนั่นแหละบำเพ็ญตบะชีวิตเรื่องมากไม่บาเพ็ญตบะหรอกมันสนองกิเลส ชีวิตที่เรียบง่ายนะไม่ตามใจกิเลสอยากกินก็ดูสมควรกินก็กินไม่สมควรกินไม่กินอยากนอนสมควร น, นอนก็นอนไม่สมควรจะนอนก็ยังไม่นอนอย่างเงี้ยอยากซื้อของอยากช้อปปิ้งสมควรซื้ออะไรก็ซื้อไม่สมควรซื้อก็ไม่ซื้อไม่ใช่ทรมานฝืนมันตลอดเวลา ใช้ชีวิตที่เรียบเรียบง่ายๆนะชีวิตที่ไม่สนองกิเลสเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยสติด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่ามีความเพียนแผดเผากิเลสไม่ให้กิเลสครอบงำใจเราได้อาตาปีสัมปชาญโนมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้ น, นรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่ไม่มีสาระนี่เยอะแยะไปหมดเลยของที่มีสาระมีไม่มาก ในบรรดาของที่มีสาระเราก็รู้ตอบไปอีกอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์สาระบางอย่างไม่มีประโยชน์กับเรานะไม่มีประโยชน์มีสาระจริงแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างรู้ว่าดาวอังคารเกิดมาอย่างไงอนะไรมีสาระมันก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหรนะ่ในบรรดาของที่มีประโยชน์นะยังบีมลงมาอีกบีบลงมาได้อีกนะ อะไรควรกักเราอะไรไม่ควรกักเราของที่มีประโยชน์เช่นการเจริญสติปัฏฐาน4มีประโยชน์อะไรสมควรกักเราอะไรไม่สมควรแกเราดูเอาเองแต่ละคนไม่ได้ต้องการปฏิบัติครบสติปัฏฐาน4ี่ทุกทุกบับนะทุกทุกชนิดทุกๆุกกรรมฐานไม่ใช่หรืออย่างสมถะกรรมฐานมีกรรมฐาน4 0ไม่ใช่ทุกคนต้องทำทั้ง40 40นะั้นมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ มีสาระมีประโยชน์แต่ไม่จําเป็นว่าสมควรแก่เราสิ่งที่สมควรแก่เราที่เราควรทำนั้นมีไม่มากหรอกนี่น้อยลงมาอีกนะจากของทั้งหมดเลยเยอะแยะเลยมีของที่มีสาระอยู่ส่วนเดียวในของที่มีสาระส่วนเดียวนั้นมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีประโยชน์ในของที่มีประโยชน์นั้นมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สมควรแก่เราอย่งั้นบางคนอาจจะแค่สมถาก็แค่รู้ลมหายใจ เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูจิตสงบอยู่อารมหายใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นี่แค่นี้มีประโยชน์กับสมควรแก่เราแล้ทำได้ก็ดีหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะโดยรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตอันใดอันหนึ่งเท่านั้นอันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกแตเราก็รู้อะไรสมควรแก่เรา ทำแล้วก็เจริญสติได้เกิดสติเกิดปัญญาบ่อยๆเอาวันนั้นแหละไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นอย่างพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรบางทีงงนะถามว่าหลวงพ่อปะมวมสดูจิตเหรอหรือสอนดูกายหรือสอนดูเวทนาสอนให้ทำสมาธิก่อนหรือเปล่าหรือว่าให้เจริญปัญญาก่อนถ้าใครไปตอบอันใดอันหนึ่งนะผิดเลยนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติให้ งั้นคนไหนควรทําสมาธิก่อนเดินปัญญาทีหลังก็ทำํำนะคนไหนควรเจริญปัญญาก่อนสมาธิความสงบในขั้นลึกเกิดขึ้นทีหลังก็ทําคนไหนทําสมาธิกับปัญญาควบกันนะเหมาะที่จะทําอย่างนั้นก็ทำเห็นไหมไม่ใช่มีอันแดนหนึ่งหรอกคนไหนเหมาะที่จะดูกายดูกายแล้วเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็ดูกายเอาเป็นหลักแต่เวลาดูกายไม่ใช่ไม่ดูจิต คนไหนควรดูเวทนานะดูเวทนาแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ดูเวทนานะดูตัวเองนะ่ะไม่ใช่ดูคนอื่นออกคนไหนดูจิตแล้วก็นะมีสติมีสมาธิาธปัญญาขึ้นมาก็ดูจิตไปนะงั้นถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะสอนหลักนะแล้วทุกคนต้องแอปพลายของตัวเองเรียนแบบกันไม่ได้เลยทางใครทางมันเลยนะนี่ทำไมหลวงพ่อมาย้าเรื่องจิตมากจิตที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะ ไม่ใช่จิตตานุปัสสนานะจิตที่หลวงพ่อพูดทุกวันทุกวันทุกวันนะส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นจิตตานุปัสสนาแต่ที่ย้ํามากๆเลยนะคือจิตตะศิขานะอธิจิตตะศิขาเขาดานกันอธิจิตตะศิขาเนี่ยคือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาเนี่ยที่หลวงพ่อสอนจกระทั่งว่าตื่นตื่นตื่นขึ้นมานะจิตที่ตื่นนั่นแหละคือจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญา การฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะเจริญปัญญานั่นแหละเป็นบทเรียนชื่อว่าจิตตะศิขาถ้าเรียกให้เต็มยศนะชื่ออาทิจิตตะศิขามีควาว่าอาทิด้วยนะไม่ใช่กระจกนะอาทินะงั้นที่จะสอนที่ย้ำนักหนานะก็คือพวกเราต้องเตรียมจิตให้พร้อมก่อนการเจริญปัญญาตรงนี้ต่างห า, าทิไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปคิดแต่ว่า ให้ทำสมาธิก่อนแล้วไปเจริญปัญญาทีหลังคนละประเด็นกันทำสมาธิก่อนนะเป็นจิตสิกขาส่วนเดียวเท่านั้นถ้าเราเรียนจิตสิกขาให้ถ่องแท้เราจะพบว่ามันมีสองระดับระดับที่1เป็นการทําจิตที่ฟุ้งซ่านะให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้และนี่คือสมถกรรมฐานอย่างที่สองนะทำจิตให้ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อันนี้เป็นสมาธิชนิดที่สองสมาธิชนิดแรกที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวในอัตางตําราเขาเรียกว่าอารมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์จิตแนมอยู่ในอารมณ์สมาธิชนิดที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตมีความตั้งมั่นเห็นลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมา ท, นะที่มาประกอบเป็นตัวเราดังนั้นสมาธิมีสองอัน จิตศีขายังไปให้มันจบอยู่แค่ทําจิตให้สงบเฉยๆนะพวกเราบางทีไม่ได้เรียนถึงตัวสภาวะแท้ๆนะไม่เข้าใจอ่านตํารามานะแล้วก็ไปทําจิตคิดว่าเป็นเรื่องเข้าฌานจิตที่เข้าฌานจริงๆนะถ้าเข้าฌานสมบูรณ์แบบจริงๆนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูตัวจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละที่มันพร้อมที่จะไปเจริญปัญญาจริงๆ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าทําเต็มรูปแบบนะมันจะเริ่มเกิดขึ้นในฌานที่สองไม่ใช่ฌานที่หนึ่งจะเริ่มเกิดในฌานที่สองเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเดินทางฌานมานะอย่าไปนั่งสงบไปแล้วก็เห็นนิมิตโน้นนิมิตนี้บอกว่าเข้าฌานไม่ได้เข้าฌานหรอกหรือว่าไปทําสมาธินะแล้วก็นิ่งแนวสบายเพลิอนอยู่ในอารมณ์ันเดียวจิตนะไม่ถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนะี่ยนี่เรียกว่ายังทําสมาธิไม่สมบูรณ์แบบถ้าทําสมาธิได้สมบูรณ์แบบนะจิมจะถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเลยทําไมไปเกิดในฌานที่สองแล้วฌานที่1มีวิตกกับวิจารณตัวนี้ต้องหากหลักวางตัวรู้ไว้นะรามใดที่ยังตรึกรามใดที่ยังตรองในอารมณ์เห็นไหมตัวเอกคือตัวอารมณ์รามใดที่ยังตรึกยังตรองในตัวอารมณ์อยู่นะ จิตจะเคล้าอยู่กับตัวอารมณ์ดังนั้นจิตพอวิตกวิจารณดับปั๊บเนี่ยเกิดสภาวะอันหนึ่งที่เรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งขึ้นมาก็คือจิตหนึ่งหรือจิตผู้รู้ผู้ดูนั่นเองครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกจิตหนึ่งเลยตรงนี้ไปนะอย่างที่หลวงปู่ดูลูพูดคําว่าจิตหนึ่งนะจิตหนึ่งมันเลยตัวนี้ไปแต่ตัวนี้เป็นจิตผู้รู้ที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านเรียกว่าจิตผู้รู้แล้วเราฝึกนะฝึก ที่หลวงพ่อจําจี้จำชัยพวกเราอันแรกเลยไม่ให้ไปทําสมาธิเคลือบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวนะให้ทําสมาธิที่ประกอบด้วยสติจนจิตสงบลงมาพอจิตสงบแล้วไม่ให้สงบเฉยนะให้จิตถอดถอนตัวเองมาเป็นผู้รู้ผู้ดูปรากฏการในรูปธรรมน้ำมาทำทั้งหลายนะอย่างนั้นถึงจะ ด, ดีเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปการที่คนรุ่นเรานี่นะภาวนากันไม่ค่อยได้ผลล้มลุกคลุ ก, ลกคลานไม่เลิกเนี่ย พยายามไปเดินปัญญานะเช่นไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจโดยที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตก่อนเราเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพนั่นแหละไปเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้จริงจิตที่เจริญปัญญาได้นะต้องมีลักขณูปนิชฌานคือมีสมาธิชนิดที่ว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เห็นรูปธปรรมปรากฏจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากเห็นนา ม, มาทำปรากฏจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหาก แยกออกไปเนี่ยต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ขึ้นมานี้ถ้าพอจิตเราแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วคราวนี้ใครถนัดดูกายเจริญปัญญาด้วยการดูกายก็ดูกายไปไม่ใช่ดูกายได้ว่าดูจิตคนไหนถนัดรู้เวทนานะก็รู้เวทนาด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตผู้ตั้งมั่นก็ใช้ได้นะก็เกิดปัญญา รู้กายก็ไม่ใช่รู้แต่กายเอากายเป็นฐานเอากายเป็นบ้านมันมีจิตที่เป็นคนรู้กายเพราะฉะนั้นถ้ารู้กายถูกต้องนะมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเวทนาเกิดขึ้นในกายก็รู้เวทนาเกิดขึ้นในจิตก็รู้กุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตก็รู้นะงั้นเบื้องต้นถึงจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นฐานเป็นบ้านแต่ไม่ใช่ไม่รู้อันอื่นถ้ารู้อยู่อันเดียวแน่วอยู่ในอารมณ์ันเดียวนั่นคือการเพ่งละ เพราะงั้นถ้าพอถึงขั้นวิปัสสนาแท้ๆนะจะพูดว่าสายนั้นสายนีนะ้พูดแบบเพ้อๆไปแล้วพอถึงขึ้นวิปัสสนาแท้ๆนี่ไม่มีสายแลนะเพียงแต่ว่าจิตแต่ละคนชนานาญไม่เหมือนกันบางคนดูกายบ่อยบางคนดูเวทนาบ่อยบางคนดูจิตบ่อยแต่ไม่ใช่ไม่รู้อันอื่นอย่างพวกเราที่หัดดูจิตนะร่างกายขยับนิดเดียวรู้สึกนะอย่าว่าแต่ตื่นเลยหลับอยู่นะร่างกายขยับยังรู้สึกเลย นี่ฝึกว่าดูจิตดูจิตแล้วไม่รู้กายนะีพวกไม่เข้าใจพวกไปเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตนะโลกนี้เหลือแต่จิตนะไม่มีกายนะคนละอย่างกันเหรือน้นถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อนะมาเรียนอาทิศีลสิกริขาตั้งใจไว้ก่อนงดเว้นการทําผิดศีลห้าฝึกอาทิจิตตะศีริขามีสองบทเรียนบทเรียนที่1ฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว บทเรียนที่2ฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในการรู้อารมณ์นานาชนิดไม่ใช่อารมณ์อันเดียวแล้วนะอารมณ์อะไรก็ได้นะคนละแบบกันนะงั้นในบทเรียนที่2องเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวส่วนที่2ให้จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นานาชนิดแต่จิตนั้นตั้งอยู่อันเดียวไม่ใช่อารมณ์อันเดียวนะแต่มีจิตอันเดียวเป็นคนดู จิตมันตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาถัดจากนั้นถึงบทเรียนที่3ามถึงจเรียกว่าปัญญาสิกขาใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยไประลึกรู้กายมีสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วไปดูเวทนาสติระลึกรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ก็ Liam! จะเห็นเลยเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสติระลึกรู้จิตจิตสังขารปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายก็จะเห็นเลยกุศลอกุศลทั้งหลายนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นไหมถ้ามีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงจะเห็นจร wines, ิงๆว่าถอดถอนความเห็นผิดได้ว่ามีตัวตน<ร>มีเรามีเขามีคนมีสัตว์แต่ถ้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเข้าไปคลุกอารมณ์นะ ทีก็ไปนั่งคิดเอาว่าร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่คิดเอานะหรือไม่ก็เป็นเพ่งนิ่งอยู่ในร่างกายจิตไปเพ่งนิ่งอยู่ในร่างกายเช่นรู้ลมหายใจจิตแนบไปอยู่ที่ลมไม่กระดุกระดิกเลยไปรู้ท้องผองยบจิตไปอยู่ที่ท้องไม่กระดุกระดิกเลยนะอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถนะงั้นต้องเรียนให้ดีนะ ในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยเราใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วไปรู้กายที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนะรู้รูปที่ปรากฏในปัจจุบันรู้นามธรรมที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนามธรรมนี่หมายถึงตัวกุศลอกุศลกับตัวจิตนะเกิดขึ้นดับไปสดสดร้อนรดูได้ตัวเวทนาดูยากนิดหนึ่งเวทนามันบางทีจิตที่เกิดต่อกันเนี่ยมันมีเวทนาแบบเดียวกัน เมันเลยรู้สึกว่าความสุขอยู่นานความทุกข์อยู่นานแท้จริงความสุขความทุกข์เกิดดับพร้อมกับจิตเป็นขณะขณะเหมือนกันเพียงแต่จิตอีกดวงหนึ่งนะมันรับอารมณ์ต่อมันเป็นมันก็ยังปรุงอารมณ์สุขทุกข์เหมือนเดิมนะก็เลยรู้สึกว่าสุขทุกข์นี่อยู่นานจริงๆไม่นานหรอกเกิดดับเป็นขณะขณะแต่ดูยากนะถ้าไม่เหมือนดูกิเลสนะรู้ทันว่ากิเลสเกิดเช่นความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันปับ๊บ รู้ว่าเมื่อกี้โกรธเนี่ยความโกรธ ด, ดับทันทีเลยจะดับต่อหน้าต่อตาให้ดูเลยความจริงมันดับแล้วตั้งแต่สติเกิดนะงั้นเราค่อยดูนะดูดูกายเนี่ยดูรูปดูลงปัจจุบันถ้าดูนามมันทํานี่นะดูตามหลังไปเรื่อยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี้บางคนบอกว่าเอ้ยหลวงพ่อประโมทสอนผิดนลมีอย่างเลยให้ดูนามมาันทําตามหลังต้องดูลงปัจจุบัน นี่พวกนี้แยกไม่ออกว่าจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วจิตนั้นมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นถ้าจิตไปรู้สมมติว่าตามองเห็นขับรถอยู่เห็นคนปาดหน้าในขณะที่ตามองเห็นคนปาดหน้าจิตในขณะนั้นไม่โกรธหรอกสังเกตไหมตอนถูกขับรถปาดหน้าต้องคิดก่อนใช่ไหมขณะที่คิดโกรธหรือ ย, ยังยังขณะที่คิดเสร็จแล้วนะสรุปแล้วไอ้นี่เร็วโนะกรธ นะตัดสินไปก่อนนะนะโกรธตรงที่โกรธเกิดขึ้นมีสติไหมไม่มีมีไม่ได้ดอกทนาะทันทีที่เกิดสติต่อมามันมีสติรู้อ้ยคิดโกรธโกรธเกิดก่อนรู้ว่าโกรธความโกรธขาดสะบั้นเลยดับรงต่อหน้าต่อตาเลยความจริงมันดับตั้งแต่สติเกิดนะนะเพียงแต่หางมันยังไหวๆยังมองเห็นอยู่อาศัยสัญญาอาศัยสัญญาจำได้ว่าเมื่อกี้นี้มันโกรธ มันดับลงไปต่อหน้า ต, ต, ต, ต่อตาคำจริงมันดับแล้วแต่ว่าจิตมันยังจําเหมือนอย่างรูปสมมุติเราดูรูปฉายสไลด์ฉายสไลด์ไปนะรูปดับไปแล้วนะแต่ใจมันยังจําอยู่อีกนิดหนึ่งไม่ต้องสไล ด, ธธดนะ์ดูพระพุทธรูปตั้งใจดูนะดูพระพุทธรูปดูแล้วลองหลับตาดูเห็นไหมยังเห็นภาพพระอีกนิดนึ่งนึกออกไหมเนี่ยจิตมันมีสัญญานะมันจํามันจําได้ เราไม่เข้าใจเราก็นึกว่ามันยังอยู่กิเลสนี้เหมือนกันนะทันทีที่เกิดสตินะกิเลสดับแล้วแต่สัญญามยังตรึกอยู่ยังตรองอยู่ไม่มีหางเห็นหางมันหน่อยๆความจริงไม่มีหรอกนะอาศัยสัญญาหลอกเอาเท่านั้นนะนี่เราค่อยฝึกนะถ้าดูรูปดูลงปัจจุบันในการเดินปัญญาจิตเป็นคนดูนะถ้าดูนมามธรรมดูนมามธรรมที่ดับไปสดๆร้อนๆจิตเป็นคนดนะูจิตดวงใหม่เป็นคนไปดู แล้วทำไมแล้วใครเป็นคนดูจิตจิตนั่นแหละดูจิตจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นนะไปรู้อารมณ์ภายนอกเนี่ยจิตดวงที่สองเกิดปฏิกิริยาเช่นเกิดโกรธจิตดวงที่สไปรู้ว่าจิตเมื่อกี้โกรธไหมจิตมันเป็นคนไปรู้จิตนั่นแหละท่านถึงใช้คําว่าจิตเห็นจิตแต่ถ้าจิตเห็นจิตอย่างแกจมแจ้งจะเกิดมรรคจะเกิดมรรคเพราะอะไรในขณะที่จะเกิดระยะมรรคจิตจะรวมลงที่จิต สมาธิจะประชุมลงที่จิตสมาธิสําคัญนะตรงที่จะเกิดระยะมรรคเนี่ยถึงขั้นฌานสมาธิจะถึงขั้นฌานแล้วนจะเป็นที่รวมขององค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยประชุมรวมพลังกั น, นองค์ของมรรคอีกเจตัวที่เหลือรวมทั้งโพธิปกักคีย์ธรรมทั้งหลายนี้จะมาประชุมกั น, นรวมแล้วก็ตัดกิเลสเพราะฉะนั้นมันจะประทัดที่จิต นถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งนะมันประชุมลงที่จิตเลยแล้วมาตัดกิเลสกันที่จิตนี่แต่ถ้าดูจิตลายวันเนี่ยยังไม่แจมไ ม, ไม่แจมแจ้งอ่ะเชิญไปทานข้าวหลวงพ่อก็เทศซะลืมดูนาฬิกาเวลาเราเทศเราลืมหิว